นี่คือการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์อีพิโซดที่99ครับอพิโซดที่99นี้เราพูดถึงเรื่องประเด็นของจิตนะีเรา back to basic อยู่คือ back to basic ในเรื่องของท่าทางไปแล้วตอนนี้เรา back to basic มันในเรื่องของจิตเลือกเข้าไปในนุ่นอ่าเราก็ได้ตอบคำถามที่เกี่ยวกับการนอนด้วยตมาพระไพบุญมาพร้อมกับคุณหมอรัตพงศ์กรับกรามรัศการครับกับผมธนแพทยัตนะพงศ์กระดกวิรุณครับ ในตอนที่99 น, นี้คุณหมอรัพงเราจะปิดฉากเวอร์ชันเดิมปิดฉากของการ เ, าเปิดทำที่ถูกปิดภาคออนไลน์ไปก่อนแล้วก็หลังจากตอนที่99นี่ก็จะมี เ, เรื่องราวใหม่ๆ ม, มาเล่าให้ฟังอยู่แต่ปิดฉากแต่ว่าไม่ได้ปิดรายการนะรยังเปิดเว็บไซต์อยู่แต่ว่าปิดฉากของอพอดแคสต์ ต, ตรงนี้นะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะ เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อที่จะให้ทราบถึงรูปแบบใหม่ๆซะก่อนอก็คือเป็นการที่เราจะมาพูดเป็นประเด็น<ม>ประเด็น<ม>ประเด็นของธรรมะอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเอาประเด็นหนึ่งมาพูดไว้ก่อนเลยก่อนที่เรารจะไปพูดถึงประเด็นธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะขอตอบคําถามของคุณรัตนวดีับชุติรัตนวดีครับ จึงแฟนรายการประจําของเรานั่นเองนะครับคือถามเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการนอนคือก่อนนอนให้มีสติน้อมจิตไปเพื่อการนอนเนี่ยโดยหวังว่าบาปอกุศลทั้งหลายจะไม่ตามผู้ซึ่งนอนอยู่ก็คือว่าท่านถามว่าการน้อมจิตไปเพื่อการนอนเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรวางจิตอย่างไรคิดอย่างไรนะครับเอาเอาช่วงแรกถามถามถามหมอรพอย่างนี้สมมติหมอรัมพคิดว่าตัวเองจะไปนอนอ่ะ หมอรัพย์วงทำยังไงก็ทําใจให้สบายไม่คิดอะไรครับก่อนหน้านั้นอีกก่อนนั้นอีกทำไมถึงคิดว่าเอ๊ะฉันจะไปนอนแล้วคิวอะไรอย่างสมมติว่าอย่างหมอรัพย์วงทำฟันอย่างนี้ใช่ไหมครับหมอรัพย์วงรู้ได้ไงว่าจะต้องหยิบเครื่องมืออันนี้เอาให้เป็นคิวในการบอกว่าต้องหยิบเครื่องมืออันนี้หรือต่อจากอันนี้ทําไมไม่เอาอันนั้นก่อนคงเป็นสัญญาที่เราจําไว้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นคิวมันจะมีคิวๆกันมาอยู่ถูกไหม ใช่ครับอันดับแรกอ่าบ้วนปากก่อนอันดับต่อมาเอาเครื่องมือนี้แค่แค่ดูอันดับต่อมาเอาเครื่องนี้กอ่กอกดูอันดับต่อมาเอาเครื่องนี้ขัดขัดดูอย่างเงี้ยครับเออทาไมไม่เอาขัดขัดก่อนอะไรเป็นคิวของเครื่องแค่แค่แค <paste S 1> มาก่อนขัดขัดอย่างเงี้ยนะครับเออก็ถูกฝึกมาแบบนี้มังครับป <omics> ึกมาแล้วก็ในหน้าที่คือตัวตัวปัญหามันต้องต้องอย่างเงี้ยครับคือธรรมชาติของการแก้ไขปัญหานี้มันต้องใช้แบบนี้คอับ เคือบางทีนี่เรากําลังจะกลับมาถึงเรื่องการการจะไปนอนน ะ, ะนะน<อ>ใช่ครับบางคนเนี่ยคิวของการไปนอนคิวเวลาเฮ้ยสี่ทุ่มแล้วเว้ยไปนอนดีกว่านั่นน่ะจิตนะัวิเนตีตรงนั้นสายตาดูนาฬิกาเฮ้ยกูไปนอนดีกว่าแค่เนี้ยแนตะ่คือจิตคุณน้อมไปเพื่อการนอนละรแบบเดียวนี่เองนะคือจิตคุณน้อมไปเพื่อการนอนคุณอาศัยได้เป็นคิวเวล า, เ, าเวลาครับเป็นต้นบางคนแบบนี้บางคนอาศัย แล้วคนเรื่องนี้จบอืมถึงเวลานอนละบางคนอาศัยอความง่วงในตัวเองอืมบางคนอาศัยสองอย่างทั้งความง่วงทั้งเวลาพอหาวัดวัดปุ๊บโอ้ยสองทุมเองโอ้ยยังไม่ดึกเลยทำไมง่วงอย่างนี้เออทำงานต่อแต่พอหาวัดว่าอีกทีตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเออไปนอนก็ได้ว่ะงานยังไม่เสร็จไม่เป็นไรก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือคิวในการที่คุณจะไปนอน เพราะนันการนอมจิตเพื่อการนอนเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือคุณคิดว่าคุณจะไปนอนเน่ะว่างครั้งเถอะครับอือหรือคุณจะไปนอนเนี่ยมันยังไม่หลับถูกไหมใช่ครับอ่าเพราะนั้นตอนที่คุณนอนไปแล้วคุณอาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยทำไมจิตเราไมาน่นอนไปเพื่อการหลับ<ม>ก็เหมือนกันนะว่าฉันนอนละฉันจะหลับละบางคนไม่ได้นอนเพื่อกะจะหลับนะมีนะคือบางคนนอนเหยียดขาเหยียดกายเล่นๆนอนเล่นๆไปไม่ได้กะจะหลับแต่มันหลับไปเองก็มีนะ อันนี้คือหลับไปออันนี้ <alam. S 1> คือไม่ได้ว่าน้อมจิตไปเพื่อการหลับอใน <quer> ที่นี้เรากำลังพูดถึงน้อาจิตไปเพื่อการนอนน้ําจิตไปเพื่อการหลับอย่างสมมติตอนแรกที่ว่าคุณบอกคุณจะไปนอนเพื่อที่จะหลับเลยเนี่ยนะแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือน้ําจิตไปเพื่อการนอนและหลับด้วยอยู่แล้วครับสี่ทุ่มแล้วง่วงง่วงจะไปนอนกันแล้วกันเนี่ยแค่นี้คือจิตเราน้อมไปเพื่อการนอนและการหลับแล้วแต่ตรงนี้นะมันความคิดมันไม่เหมือนกันเนี่ยเหมอรัฐพงศ์รัตรงที่ว่า คนทั่วไปจะคิดว่าโอ้เพื่อความสบายใช่ครับเพื่อความสบายจิตนั่นน่ะสบายตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเรื่องมีความคิดทางกางหรือเปล่าความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายคร<ช>ับแต่ผู้ชื่บอกว่าถ้าจิตคุณน้อมไปเพื่อการนอนตรงนั้นแล้วนะตรงนั้นแล้วนะให้ระลึกด้วยว่าบาปอคุกศลธรรมทั้งหลายอย่าไหลไปตามเราผู้นอนอยู่เข้าใจไหม คือว่าอย่าไปคิดเรื่องการอย่าไปหาความสุขในการนอนความสุขในการเองข้างความสุขในการเคลิ้มหลับครับจะไม่ตั้งใจอย่างนั้นจะตั้งใจว่าเราจะไม่หาความสุขในแนวนั้นแต่เราจะหาความสุขที่เกิดจากความสงบในภายในอย่างเงี้ยเนี่ยจิตเราคือจะปราศจากบาปอาคุโสตธรทั้งหลายล่อครับตั้งท่าจะนอนละจัดเตียงอย่างดีนุมน่มๆใส่ถุงเท้าด้วยใส่หมวกด้วย ผุมผ้าอย่างดีไปแลเย็นฉ่ำอ่าแล้วก็จะนอนแล้วหมขอให้ความสบายนุ่มๆตื้อตื้อตืดระวังอืมอ่าเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นกามก็ได้จะเป็นความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอืแต่ถ้าใจเราคิดว่าใจเราคิดว่าโอ้ขอให้ใจเราสบายอย่างเงี้ยนะใจเราเป็นสุขใจเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบมันมันเส้นประมาณๆนิดเดียวนะ ใช่ครับอ่าอาคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะความสุขทางกายเตียงนิ่มๆอากาศเย็นสบายแล้วก็นอนหลับฝันดีอย่างเงี้ยมันน่าจะทําให้เรามีความสุขอันนี้ก็ใช่อยู่อันนี้คือความสุขจากภายนอกความสุขจากทางกามนะผู้เชี่ยวเขาพูดถึงให้มันละเอียดเข้าไปอีกนิดนึงว่าเป็นความสุขจากในภายในแค่นั้นเองครับความสุขจากในภายในยก็คือว่าเออคือท่าทางร่างกายมันไม่เป็นไรหรอกอย่างพระอยเงี้ยนอนเสื่อ นอนผ้าปูแค่สองสามชั้นมันไม่ได้นุ่มอะไรเลยมันจะไปหาความว่าเรานอนแล้วจะสบายพอห่มก็เอาสังกะสีอจี ว, วันมาหม่มอืมันก็อุ่นได้บ้างอย่างเงี้ยนะออืมอนอนแตะแคงก็ไม่นุ่มไม่ไรเอ๊ะเราจะหาความสุขได้ไงอเีใช่ครับอพระใช้ผ้านวมห่มแบบเวลากลันเอาหนาวใช้ผ้านวมได้ไหมครับมีมีมีมีแต่สามารถใช้ได้บางรูปก็ใช้ครับอืเพราะฉะนั้นเวลาที่ เราจะนอนเราก็ให้ตั้งใจว่าเราลึกว่าเราจะความสุขที่เกิดจากในภายในในภายในแค่นี้เองก็คือบาปอากุศลธรรมล ะ, ละเราจะไม่เกิดขึ้นของเราในจิตของเราพูดนอนอยู่ละแค่นี้เองนี่ยคือแค่หนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะนอนแล้วเน่ยคือคิวมันต้องมีคิวที่คุณใช้อยู่เป็นประจำคุณนอนมาอยู่ทุกวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้านอนมาทุกวันคุณต้องมีคิวนั้นแน่นอนใช่ครับคิวเนี่ยหมายถึง นิมิตน่ะนะตัวพูดภาษาบาลีนิมิตที่เราจะต้องใช้ในการที่จะรู้ว่าเราจะทําอะไรต่อไปครับ<ะ>บางคนนิมิตก็คือว่ามันจะหนักๆที่หลังหลังตาละ่ะในหลังตาในตรงกลางหัวเนี่ยหนักๆง่วงๆแล้วก็ตึงๆคิวเนี้ยคือคิวฉันจะไปนอนละ่ะเหมือนง่วงแ ล, ล<ะ>้วบางท่านเถอะอ่านี่คืออาการง่วงแล้วบางั่นเถอะนะบางคนดูที่ว่าตอนหาวเอาหาวนี่เป็นนิมิตหาววดัดวัดนไม่เป็นเครื่องหมายว่าฉันจะไปนอน บางคนดูที่เวลาเอาเวลาเนี่เป็นนิมิตนะห้าทุ่มสี่ทุ่มเป็นนิมิตเพื่อท่านจะไปนอนอย่างนี้อันนี้คือคิวในการที่คุณจะไปนอนนะอันนี้อันที่หนึ่งสองตอนที่คุณจะนอนอ่ะหรือตอนทั้งแต่คุณคิ้มคุณจะนอนน่ะจิตคุณหาความสุขจะหาความสุขแบบไหนครับอ่าถ้าหาความสุขไปในทางกายทางตางหูจมูกลิ้นกายอันนั้นไม่ถูกอให้ตั้งใจใหม่ว่าตั้งใจว่าเออเราจะหาความสุขในภายในแค่นี้เองครับอืม ก็คือส่วนใหญ่ก่อนนอนเนี่ยครูบาอาจารย์จะแนะนำว่าให้ทาสมาธิกําหนดสตินั่นจะช่วยได้ทีเดียวเพราะว่าจิตตรงนั้นปุ๊บเราไม่ได้คิดเรื่องกามละเรามาดูอยู่ในภายในใจของเราละก็สบายละครับก็จะต่อนเนื่องถึงคำถามที่สองว่าหากต้องตายไปในขณะนอนนั้นที่ว่าก็จะสบายหมายความว่าไปสู่สุคติใช่หรือไม่ครับถูกทองสบายในที่นี้คือ ไปอยู่ในที่ที่มีแต่ผัสะที่น่าพอใจเป็นส่วนมากครับสบายเนี่นะคุณวัดยังไงว่าสบายนะพระเจ้ามีเกณฑ์ในการวัดว่าสบายก็คือว่าเจอแต่ผัสสะเห็นรูปฟังเสียงได้ยินกลิ่นเอ้าได้ยินกลิ่นยังไงต้องดมกลิ่นดมกลิ่นเออเแล้วก็ลิ้มรสอะไรต่างเนี่ยเป็นที่น่าพอใจอย่างเดียวนะไม่เจอเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมีเป็นส่วนน้อยนี่คือพูดถึงคนที่มีบุญคนที่มีความสบาย คนที่ยังพอจะมีกุศลธรรมอยู่บ้างก็จะเจอสิ่งเหล่านี้ครับนะเพราะนั้นสบายก็คือว่าถ้าอยู่ในภพมนุษย์ก็เช่นนอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายเป็นต้นครับถ้าคุณนอนไปแล้วคุณไม่ตื่นเลยก็ไปอยู่ภพใหม่ใช่ไหมอยู่ภพใหม่ตายไปแล้วอยู่ภพใหม่ก็เป็นภพที่สบายมีต่ภาษาที่น่าพอใจเป็นส่วนมากเจอประสาที่ไม่น่าพอใจเป็นส่วนน้อย ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมอย่างนี้ใช่หไหมครับหรือเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตระกูลสูงก็ได้คือพระเจ้าแบ่ง เ, เขาเรียก ว, ว่าสุกติภูมิกับทุกติภูมิูมินะตรงที่มนุษย์นะ่ยมนุษย์นี่ก็แบ่งเป็นสองคือมนุษย์ที่อยู่ในตระกูลมหาสารตระกูลที่มีความรุ้ตระกูลที่มีเงินแต่นี่คือตั้งแต่มนุษย์ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนะก็คือเป็นจะพูด ง, ง่ายๆคือตั้งแต่ชนชั้นกลางขึ้นไปนะมนุษย์เนี่ยก็คือเป็นประเภทที่ว่ามีภาษาเป็นเรสุกติ จนถึงเทวดาพระมอะไรต่างตั้งแต่มนุษย์ที่มีความเป็นอยู่ระบับแรงแค้นอันนั้นจะเป็นทุกขติภูมินาปาจนถึงนรกกัมเนริชานปริวิสัยพวกนี้อืมครับการมีสติตั้งแต่ก่อนนอนก็จะช่วยช่วยให้เกิดผลอันนี้นะครับที่ท่านผู้ถามถามไว้นะครับอยู่ที่จิตที่เราตั้งอยู่ในสิ่งใดสติตรงนี้แหละคือหมายถึงความระลึกได้นะฉันระลึกได้ว่าโอ้ฉันต้อง มันนึกถึงว่าฉันมีความสุขในภายในนะฉันมันนึกได้ว่าเออฉันต้องทำสมาธิก่อนนอนนะเนี่ยสติคือความระลึกได้มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า น, นี้เ อ, อะเลยนะหมอพลผมคือแค่คุณค น, นึกได้ว่าเอยฉันจะไม่ไปคิดเรื่องอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นสัมมาถสติเนี่ยคือความระลึกได้ระลึกได้จากอะไรระลึกได้จากว่าเออจิตเราจะต้องไม่ไปอยู่ในอกุศลครับคุณต้องระลึกไดอย่างนี้อืมแค่ทั้นเองครับก็เป็นส ม, มาธิฏฐินะครับว่า สมาธิถิ่มก็จะอะไรมาที่สมาสติตรงนี้ใช่ไหมครับอพอจิตเราต้องเป็นกุศลแล้วเนะเราก็คือตรงหน้าคุณมีสติละอ่าสติตรงนี้เราจะเอาอะไรเป็นเรื่องระลึกถึงดีละ่ะอ้อวผู้เชา<ล> ก, ก็เอาใใเอากายก็ได้เอากายเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเอาเวทนาได้เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเอาจิตก็ได้เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงเอาธรรมะก็ได้เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึง สติประธานสีอ่าเป็นที่ตั้งที่ระ ล, ะลึกถึงจากอะไรจากสิ่งที่เป็นอคุโสรธรรมโอเคนะแตสิ่งที่เป็นอคุรฐรฐิสรธรรมแล้วอะไรล่ะที่เป็นที่ตั้งนี้บ้างเอาพูดให้มันตรงตรงหน่อยเราก็ลมหายใจไงอ่าลมหายใจเนี่ยเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงของไอ้จิตของเราได้อืมครับก็ขอเชิญชวนชักชวนให้ทุกท่านกำหนดสติเจริญ อ่าอนาปนสิก่อนนอ น, นะะก่อนนอนก่อนนอนครับแล้วจังหวะที่แบบหลับไปปุ๊งตรงนั้นเนี่ยก็คือมันก็พอเรากําหนดแล้วเนี่ยจังหวะที่มันจิตจิตมันพักผ่อนในการหลับเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไหลไม่ไหลไปตามที่เรากําหนดใช่ไหมครับเอ่อมันก็ถามว่าเอออะไรเป็นเป็นตัวที่ทําให้จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเป็นเหมือนกับเออมันทําให้มีการทํางานอย่างนั้นได้ยังไงนะ ก็นี้แหละคือสติเนี่ยมันก็ยังจะต้องมีกำลังของเขาอะนะอ๋อเอ๊ะถามว่าทำไมเรามาดูลมหายใจแล้วไอ้ความวุ่นวายมันลดลงไปอ่าหมอรัฐพงว่าเพราะอะเพราะว่าจิตเราไม่สัดสายก็อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเสาเขื่อนเสาหลักนะคะใช่เพราะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักปุ๊บนะถ้าเราพูดถึงตามปริเดชสมูบาตเลยครับนะเอ้าจิตมีลมหายใจใช่ไหมจิอยู่กับลมหายใจแสดงว่าจิตนั้นมีสติจิตมีสตินี่แสดงว่าสตินั้นเป็นฐานที่ตั้ง เขเรียกว่าเป็นองค์ทำเป็นการตรัสรุธทำนะเพราะจิตมีสติเนี่ยเป็นโพชฌนะสติสัมโพชฌงนะสตนะิโพชฌงเนี่ยถ้าจุดนั้นเนี่ยมันก็คือมีการปล่อยวางจากสิ่งอื่นที่มันมากวนใช่ไหมปล่อยวางตรงเนี้ยคือเหมือนกับมีมีวิมุตนะหลุดพ้นนะอือพอมีวิชาวิมุติเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นก็ได้ใช่ไหมพอไม่ต้องปรุงแต่งจิตก็ไม่ไปเข้าไปรับรู้อะไรนะพอจิตไม่เข้าไปรับรู้อะไรไม่มีวิญ ญ, ญาณแล้ว จิตก็ไม่ต้องไปก้าวตรงสู่น้ำรูปคือช่องทางในการรับรู้นะคืออุปกรณ์ที่จะไปรับรู้เนี่ยจิตไม่ต้องไปสนใจเพราะจิตไม่ไปสนใจจิตก็ไม่มีช่องทางออกคือไม่มีพัสดะไม่มีสารยุติธรไม่มีพัสดะไม่มีพัสดะจิตก็ไม่มีเวทนาจิตไม่มีเวทนาจิตก็ไม่มีตัณหาพอจิตไม่มีตัณหาจิตก็ไม่มีอุปาทานไม่มีภพไม่มีทุกข์แค่นี้เองคือมันก็เป็นไปตามกระบวนการนี้ปฏิจจสมุปบาทนั่นละถ้าจะอธิบายให้มันละเอียดลงไปนะครับอ่า ชัดเจนเลยก็คือตรงที <or> ่ว <OW> ่ามันทำงานอย่างนี้เพราะไอ้เรื่องกระบวนการการทำงานเนี่ยผมบางทียิ่งอธิบายยิ่งงงนะเนี่ยอย่างเราจะไปรู้อกว่าเวลาเราขับรถอ่ะคุณเหยียบคันเร่งเนี่ยมันไปปรับ เฟืองตัวหนึ่งที่หมุนเข้าไปส่งไปในจานจ่ายหมุนคาร b บูเรเตอร์เดี๋ยวนี้เป็นหัวฉีดแล้วพ่นน้ำมันด้วยความเร็วเท่านี้ปริมาณเท่านี้เข้าไปในกระบอกสูบมีคันชักปรับอุณหภูมิจุดสปาร์คบ้มออกมาส่งผ่านเกียร์เกียร์บ็อกส่งข้อมูลไปยังล้อหมุนติ้วออกไปเนี่ยโอโ้โหเอาแค่ว่าคุณเหยียบกำรงแล้วรถมันไปก็พอละมั้งไห <c oughs> นก <c oughs> แล้วมันก็ขับไปได้ก็โอเคแล้วนะครับคือถ้าบอกว่าคุณมีสติเรื่องหายใจแล้วจิตคุณไม่มีบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นก็แฮปปี้ละของมผมจะเกิดขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้เอาไว้ก่อนเรามีเวลาค่อยมาศึกษาก็ได้เอาว่าตอนนี้มันเวิร์กพุทธเจ้าบอกเวิร์กก็คือเวิร์กอย่างนี้นะครับอไม่มีศรัทธาในคําสอนครับแม่บ้านเขายังไม่รู้เลยว่าไอ้เครื่องซักผ้านี่แมคเนสซึมข้างในมันทำงานยังไงอ่นะครับเอาเป็นว่าใส่เสื้อผ้าเข้าไป มันจบแล้วสะอาดแล้วแฮปปี้ละหรือว่าไอ้ผงซักฟอกมันทำความสะอาดเสื้อผ้าได้ยังไงโอ้โหมันเป็นองค์ประกอบไม่รู้อะเอาใส่เข้าไปแล้วมันสะอาดมากก็โอเคละมีเวลาเราค่อยไปศึกษาอย่างเงี้ยองประกอบโมเลกุลการบอ n d i n g ไบโอเค m i ข้อมันทำงานยังไงล้วถ้าเรามีเวลาเราจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ตอนนี้ว่ามันมันเวิร์หยิบขันเร่งรถมันไป ถ้ามันลดไม่ไปมันาจะเป็นระบบไฟฟ้าประบบช่วงล่างระบบส่งกําลังระบบเครื่องยนต์โอ้โ oh, หมันทุกระบบเลยเดี๋ยวนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกอครับต้องเรียกช่างแล้วอย่างนี้ท่านครับในเรื่องของการนอนเนี่ยเมื่อสักครู่ที่เรากล่าวมาคือการกําหนดจิตทีนี้ในเรื่องของท่าทางการนอนเนี่ยจําเป็นไหมครับที่จะต้องกําหนดท่าทางว่าต้องอย่างนี้ อ, อย่างงี้พระชาติก็บอกว่าพระองค์นี่นอนแบบตถาคต ก็คือนอนอย่างนี้ยจิตอย่างนี้แหละจิตให้มีสมาธิในการนอนได้คือนอนอย่างตะตาโกละครับแล้วก็มีหลายๆนัยยะอีกอื่นๆอีกที่พุทเจ้าก็แนะนําให้นอนตะแขคงข้างขวาสีห์สยายญาตเนี่ยใช่สีห์สยญาตแต่ก็ไม่ได้พูดถึงว่าแนะนําให้พิกสุทธ์นอนแต่ถ้าอื่นๆเลยนะไม่มีเลยแต่พูดถึงว่าการนอนมีอยู่สี่แบบมีอยู่อมีอะไรบ้างครับอ่าก็คือมีการนอนอย่างเปรตการนอนอย่างเปรตเปรตเนี่ยมีปกตินอนหงาย ใหตา ย, ตายนี่<ง>คือคนตายอ่ะนะคนที่ตายอะ่ะสมมติคุณเอาคนมาคนหนึ่งอ่าวคนนี้ให้ตายซะสมมุติตายซะปุ๊บเขาล้มลงไปตายเนี่ยเขาอยู่ท่าไหนส่วนใหญ่ยังไงฮะอ่าเอาร้อยคนมาเอารอยคนมาสม ม, มุติให้ร้อยคนนี้ตายตุมต่มๆุน ต, ตุคนก็ตกตายล้มไปคนละท่าละทางแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นท่านอนห ง, งอาอยอ่างนี้ล้กันน ะ, ค, ะนะครับหรือว่าพอ เ, เขายิงพวกนาซียิงคนอย่างเงี้ยบุมบึมบึมบึมเนี่ย เอ๊ดูซากศพออกมาของพวกยิวเนี่ยนี่ยกตัวอย่างนี่เฉยนะโอ้ยจะพบว่าศพต่างๆ่เหล่านั้นมักจะนอนหงายพระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงว่าอเปตตาสยาณ์นะคือคนตายเนี่ยถ้าทางของคนตายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนอนหงายวางกันเถอะอ่าส่วนท่าที่สองคือถ้าของคนบริโภคกามนะคนที่บริโภคกามการ ม, รรมะวะโขขีอ่ะนะคร า, วารวะอะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่จะนอนตะแคงซ้าย ตะแคงซ้ายตะแายแล้วก็ถ้าเป็นสีหาสยาก็นอนตะแคงขวาตะแคงขวาตะแคงขวาเท้าเลื่อมท้าแบบที่สี่ก็คือตะขาตโคศยานอนอย่างตะขาโคตก็คือนอนอยู่ในสมาธิอ๋อไม่ท่าไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าให้กำหนดสมาธินี่คือของพรุทจานะพรพุทาไม่ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยนอนท่าไหนกันแน่อะไมาก็มาดูเอ๊ะทำไมพรพุชาถึงไม่บอกว่าพระองค์นอนสีหัสยาหรือนอนท่าไหนเพราะว่า ตัวเราเองอย่างบางทีถ้าเราโปวดสีข้างอย่างเงี้ยครับเราจะนอนตะแคงข้างขวา ม, มันก็ไม่ได้แหละมันต้องนอนหงายแล้วหรือไม่ก็นอนตะแคงข้างซ้ายโอ้แต่ถ้าจิตเราสงบนะมันก็ท่าไหนก็ได้นี่น่ะอย่างเงี้ยอ่อคือกา ร, ร, รใช่แล้วก็มีอีกหลายๆจุดที่พระเจ้าบอกเวลานอนตะแคงเอ่อพระเจ้านอนอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่บอกอ่าประทับสีอาสยาตอนที่พระสารีบุตรแสดงธรรมอยู่พระเจ้าต้องการเหยียดกายบ้างก็ประทับสีอาสยาตามบริณฑิปันก็ประทับสีอาสยา ตอนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้จะพักผ่อนหน่อยก็ประทับสียะสยายอยู่อย่างนี้า็ส่วนใหญ่ที่อธิบายก็จะมีท่า น, นี้เท่านั้นเอง<ม>สียะสยายก็คือนอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลื่อมท้าบ้างให้มันทรงตัวอยู่ได้ครับแล้วก็อ่าจิตนี้ก็ทําให้เป็นสมาธิอ่าใช่ครับออืืมมสีหะนี้ก็จะนอนท่านี้แล้วก็จะถ้าบอกว่าตื่นลุกขึ้นมาแล้วเห็น การเคลื่อนที่ของกายตอนล่างก็จะไม่แฮปปี้ล่ะอืจะไม่พอใจล่ะบางทีอดข้าวเลยบางทีอดข้าวเลยว่าเอ๊ะทำไมตัวฉันเผลอสติขนาดนี้ตอนกายล่างไม่เคลื่อนไหวไปกับเคลื่อนไหวไปไม่อยู่กับที่วันนี้ไม่ต้องกินข้าวอย่างเงี้ยอืมอืหมายถึงพระพุทธเจ้าเหรอครับอ่าหมายถึงตัวสีหะอ๋ออ๋อตัวตัวสัตว์สีหะเนี่ยสเขาจะเป็นสิงโตสิงโตที่สัตว์ที่มีฤทธิ์มากสมัยนี้ไม่มีแล้ว ครับหมอรัตพงศ์เคยไหมล่ะเอนอนนอนไปสมมติเรานอนท่านี้ครับเราตื่นมาเรานอนท่าเดิมอยู่อ๋อต้องเป็นนะหมอเราต้องเป็นอย่างนั้นนะต้องให้ได้ขนาดนี้เลยได้ปุ๊บเรานอนไปอย่างเงี้ยปุ๊บเราเราตั้งใจเราจะนอนล่ะเรานอนท่าสมมติตะแคงข้างขวาครับตะแคงข้างขวาแล้วจัดท่าอย่างดีละห่มบ่าอย่างดีละอ่าจิตน้อนไปเพื่อการนอนแล้วไม่ให้บ่าปเอาส่วนเกิดขึ้นมันหลับไปตอนไหนไม่รู้ล่ะเอาสมมติมันหลับไปแล้ว ตลับไปหลับไป ล, ไปลืมตาตึ้งขึ้นใหมีทีหนึ่งเนี่จนนยจะนาฬิกาปลุกหรือไม่นาฬิกาปลุกก็ตามนอนท<ะ>่าเดิมอืมแล้วลึกถึงกายก่อนเลยเราไม่ใช่แรกรู้สึกตัวโอ้เราอยู่ที่ไหนเนาอแล้วเราท่าทางเราเป็นไงเนาะโอ้ท่าทางเดิมกว่าเมื่อคืนอาลุกขึ้นได้ละ อ, อ, อย่างเงี้ยจิตเราให้ต้องเป็ น, ง, น, นงี้นะหมอพงศ์ครับโอ้สาธุดีมากๆเลยล่ะครับดีมากมากเลยเป็นสิ่งที่ควรฝึกใช่ควรฝึกควรฝึกมากปุ๊บลืมตาขึ้นมาปุ๊บนี่ อย่าไปพึ่งงงว่าเอ้ยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงฉันมาทำอะไรดูกายคุณก่อนดูลมหายใจคุณก่อนอไอ้กายเราเหมือนเมื่อคืนไหมอ่านี่แหละวันนี้คุณไปเยี่ยวเยียวได้เยี ว, วเยีวเย่วนี่มาถึงไปประกอบอาชีพการงานตามมาร์กนะอืเคยเคยชมสารคดีเขาบอกว่าการนอนเนี่ยไอ้ไอการพลิกตัวเนี่ยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหงายเนี่ยมันเป็นเหมือ น, นฟิสิโอโลจีก็คือเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์ ที่มันจะพลิกเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอันนี้ที่ที่ฝรั่งเขาอธิบายนะครับ oh. เราเราเราไม่ได้อยากพลิกซ้ายพลิกขวาตอนที่เราหลับนีบ่ยมันเป็นร่างกายที่จะถึงตอนนี้มันจะแบบเป็นรีเฟกอันหนึ่งจะพลิกซ้ายอีก1ิบห้านาทีจะพลิกขวาอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. พูดถึงว่าเทียบกับในกระบวนการทางพุทธซึ่งอธิบายเรื่องจิตเนี่ยมันมันแตกต่างหรือเหมือนกันไหมครับอือคือถ้าคน หรือว่าจิตไม่นิ่งเนี่ยจิตจิตผู้นอนไม่นิ่งมันก็เลยสับสายไปตามทาให้เกิดผลทางกายผมก็เออเคยสงสัยเหมือนกันหรือยังคนละเมออะไรเงี้ยนะกลับเอยทำไมคนมันละเมอได้จิตมันคงจะแบบว่าโอ้ดีดดิ้นไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างพูดถึงเรื่องของคนนอนไม่หลับแะแรงตายนะครับอ่าเราคิดว่าเราจะมาจับประเด็นเรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยต่อๆไป ในขั้นตอนนี้เราจะพูดถึงอนไรกรณีที่ว่าก่อนอะอจะนอนอคุณจะทํำยังไงน ะ, ะได้ได้ครับทีนี้ตอนที่เรากลับมาสรุปตรงนี้นิดหนึ่งที่ว่าจะนอนเนี่ยคุณก็มีสติใช่ไหมว่า บ, บาปอกุศลทำเนี่ยอย่าให้ตามรงไปผู้นอนอยู่ให้มีสติอยู่สติคือความระลึกได้เระลึกถึงเรื่องราวต่างๆในที่นี้คือระลึกถึงลมหายใจ นะคือระลึกถึงเรื่องอะไต่างๆเนี่ยคือให้มันออกมาจากสิ่งที่เป็นอกุศสรธรรมนะไอ้ทีนี้ว่าถ้าจิตเรามีอกุิสรธรรมอยู่อ่ะอย่างทําไมพระเจ้าถึงบอกว่าให้มีสติอยู่ในนิวรณ์ก็ได้ในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย<ม>คุณมีนิวรณ์ก็รู้ว่าคุณมีนิวรณ์อ๋อนิวรณ์ทำไมเป็นฐานที่ตั้งใงการระลึกถึงได้เป็นธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานอย่างหนึ่งนะอืเ<ม>ออทําไม <Okay. S 1> ไม่เอาแต่เรื่องดีๆมานึกถึงเนี่ยครับอืม น่พพานี่เป็นอกุศลนะหมอระพงใช่ครับนิพพานอืมต้องต้องต้องเลยต้องทำความเข้าใจให้ทราบตรงนี้ว่านี่เป็นประเด็นที่สาคัญรูป้ป อ, อที่สติสติกับจิตเนี่ยนะสติเนี่ยพระเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยจะเป็นที่แลี้ไปสู่สติใช่ไหมสัมผัสต่างๆต่างต่างก็จะเป็นอ่าเป็น<ต>อินรียเข้ามาออินรีเข้ามาอินทรีเนี่ยจะเป็นที่แลี้ไปสู่จิตจิตรับรู้แน่นอนจิตเนี่ยต้องวิ่งเข้าหาสติครับสติเนี่ยคือ คืออะคือความระลึกได้ระลึกว่าอะไรคือเราไม่ไหลไปตามไม่วิ่งหนีนะีไม่ขยะแขยงเกลียดชงังไม่ลุ่มหลงมัวเมานะีตรงนี้รู้อยู่เฉยๆนี่คือสตินะครับบางทีเอ่อเรามีเรื่องที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นหรือบางคนเอ้ยนั่งสมาธิมาภาวนามาก็นานนะปฏิบัติม่อยู่เล ย, เยทำไมมันบางทีมันจิตมันโหดๆเออเราบันทีทําไมมันจิตมันปีนป่ายเปล่ปปงปลังขึ้นมาเอ๊ะทำไ ม, ม, มถึงเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ย เราก็ไปเข้าใจว่าคุณต้องเป็นอย่างงี้กรรมมันอันนี้อะไรต่างเนี่ยนะเราต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้ว่าบุญช่างเปรียบเหมือนกับภูเขาหินนะภูเขาหินนี่มันอ่าตั้งอยู่ตั้งก้อนแท่งเป็นหินตั้งแท่งเนี่ยฝนตกใส่น้ําพัดใส่เนี่ย ม, ม, มันไม่หวันไหวมันไม่หวันไหวแต่มันเปียกไหมเปียกนะเปียกด้วยแล้วก็โดนลมด้วยบางที ถ้าฝนตกนานๆมันหินน้ํามันอาจจะซึมเข้าไปในหินนิดนึงนิหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าภูเขาหินไม่สะเทือนน ะ, ะซึมน้ํามันจะซึมเข้าไปอยู่น้ํามันจะตกเปียกอยู่แต่ไม่เสะเทือน ค, คืออย่างน้อยเขาต้องได้รับรู้นั้นะจิตของเราเหมือนกันหมอพลพงศ์ เ, เวลามีอกุศลมาลกระท บ, ท บ, บปุ๊บอย่างเงี้ยคนกโกรธเหรือบางทีเรากโกรธเองแต่ถ้า แต่ถ้านะฟังให้ดีนะครับคือแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ไหลไปตามความโกรธนั้นแล้ว<ม>เราก็ไม่ขยันขยันเกลีย้ยงช่างสิ่งนั้นเน่ยเรารู้อยู่เฉยเฉยเนี่ยคือคุณกําลังจะแยกจิตออกจากธรรมารมันนะนะอย่างสมมติอารมณ์อะไรที่เกิด<ม>ขึ้นสักในจิตอันใดหนึ่งหมอโน้ตบอกว่าจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นธรรมารมันอันนี้เป็นจิตอืต้องเหมือนเฝ้าดูแล้วก็แยกไม่ใช่ใชไม่ไม่ไหลไปตามแล้วก็ไม่ไม่ยิน ดีไม่ยินรายเข้าดูเฉยเฉยเออทําไมฝันบางฝันะมันเหมือนจริงมากจริงมากครับเหมือนกับไปมาจริงๆเลยแต่ฝันบางฝันนี่รู้ว่าเป็นฝันแต่มาตงถามว่าทําไมหนังบางเรื่องคุณดูแล้วมันเหมือนจริงจริงไอฟเฟกต์านะบางเรื่องนี่มันโอ้ดูวันนี้มันปลอมไดโนเสาร์นี่ปลอมน้าทะเลนี่ปลอมเรือปลอมอย่างเงี้ยครับแต่บางเรื่องมันเหมือนจริงจริงเลยะสะพานระเบิดต้องบอโอ้โหเหมือนจริงมากๆเลยไปดูของจริงบนระเบิดหรือเปล่าอย่างเงี้ย อโอ้มัมนเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทไมบางครั้งเราไม่สามารถแยกจิตออกจากธรรมารมม์เอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปอล่ามาหลวงว่าใช่ครับอืมันมาบอกให้เลยเราตอบไม่ได้นะครับอันมาตอบไม่ได้นะว่าจิตกับธรรมารมม์มันเหมือนกันหรือเปล่าแต่พระเจ้าบอกงี้บอกว่าไครับ <c oughs> อะไรคือจิตวิญญาณคืออะไรในกิริยาที่รู้รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสินั้นคือวิญญาณ เออเป็นธนาบ้างเออกิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือวิญญาณแล้วสัญญาสัญญากิริยาที่รับรู้ได้อ่าหมายรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือสัญญาแล้วสังขารนะ่ะกิริยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือสังขารเอาแค่ว่าธรรมารมเนี่ยเป็นหนึ่งในเอตนาหใช่ไหมครับหรือว่าเอาขันศีรนะนยังไม่ต้องเอารูป มันก็เป็นนามขันอย่างเงี้ยนามสี่ขันใช่ไหมเขาจะรู้ได้ไงว่าอันี้ธรรมารมอันนี้เป็นเวทนาหรือเป็นสัญญาหรือเป็นสังขารกันแน่อันนั้นเป็นจิตอ่ะมันเหมือนกับปนกันหมดเลยนะเหมือนเป้เลยใช่ครับทําไมความคิดบางความคิดของเรากับจิตของเราเอ้มันเหมือนกันหรือเใช่ครับแยกไม่ค่อยออกความคิดกับเวทนาครับเอ้มันเป็นอะไรกันแน่น่ะเนี่ยตรงนี้เรามาดู definition นะ เราจะพบว่ากิริยาที่รู้สึกได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือเวทนากิริยาที่หมายรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือสัญญาครับแสดงว่าจิตนี่แหละมันเป็นสัญญามันเป็นเวทนามันเป็นสังขารมันเป็นธรรมารมมันไปเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันไปเป็นหมดเลยครับเดี๋ยวเป็นความรู้สึกเดี๋ยวไปรู้สึกเดี๋ยวไปปรุงแต่งเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปมีความหมายรู้เดี๋ยวไปนึกถึงเรื่องนึงนี้เนี่ยคือจิตมันหมุนไปหมดอื เพราะว่าจิตมันต้องไปรับรู้ไงครับทีนี้จิตนไปรับรู้ด้วยอำนาจของอะไรมันยัง ม, ม, งมีมันยังมีตันหามันยังมีอวิชชาไงมันเลยไปติดติดติดติดติดติดอยู่ครับทีนี้พอจิตมันติดตนดติดอยู่มันก็ไม่หลุดพ้นสติมันก็ไปเก้าลงบางทีสุขบ้างทุกบ้างหมุนไปตามสิ่งที่มากระท บ, บในใจบ้างข้างนอกบ้างใช่ไหมอืมพอมันเปอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตก็คือว่าไม่หลุดพ้นละจิตเหมือนล่ะไหลายไปตามสิ่งต่างๆตัวเป็นท่าของสิ่งต่างนั้น พระเจาจึงให้มีการฝึกที่จะนอมออกหลีกออกปัดทิ้งไม่เอาด้วยการอะไรด้วยการที่มีสติสติก็คือ ừ, ว่าคุณไม่เข้าไปยึดไม่หนีออกไม่ลุ่มหลงพัวพันมัวเมาไม่ขยันแยง้งเกลียดชังวิ่งหนีนแต่รู้เฉยๆมีสติเฉยๆเนี่ยคือให้จิตเนี่ยพยายามที่จะสลัดออกสลัดออก พะจิตที่จะสลัดออกตรงนี้เป็นเหมือนกับคนที่ออกมาลุกขึ้นจากหลุมส่วมอย่างเงี้ยนะพยายามจะปัดอุจจาระออกจากตัวปัดปัดปัดปัดอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นอยู่แต่มันยังไม่หมดมันยังไม่สะอาดมันก็พยายามจะปัดปัดปัดปัดแต่ถ้าถ้าคุณยังอยู่ในบ่อส่วมคุณปัดยังไงมันก็ไม่หมดคุณต้องขึ้นมาบ้างคุณเมื่อขึ้นมาประอนขึ้นมาสักเอวหรือว่าแค่เข่าหรือแค่ข้อเท้าอย่างเงี้ยพยายามที่จะขึ้นมาแล้วก็พยายามปัดปัดปัดตรงนี้ ก็คือหมายความว่าผู้เช่าเปรียบถึงน้ําทะเละนะน้ำทะเลเนี่ยถ้าคุณพยายามที่จะบางคนตกจมปุ๊บจมเลยก็มีบางคนตกจมโผล่ขึ้นมาหัวหนึ่งแล้วก็จมไปอีกบางคนโผล่มาล อ, อยอยู่บางคนโผล่มาพยายามมองไปรอบๆ บ, บางคนโผล่มามองรอบๆแล้วพยายามว่าเข้าฝั่งว่าเข้าฝั่งแล้วมายืนอยู่ที่ตื้นแล้วก็มีที่ตื่นแล้วขึ้นบกก็มีอันนี้เปรียบกับบุคคลเจ็ดจำพวกนะแล้วก็ลองบอกว่าถ้าเร า, าเปรียบกับลุงอุจจาระเนี่ยเหมือนกับอ น้ำทะเลอย่างเงี้ยเราพยายามปัดปัดปัดเนี่ยคุณปัดได้มากคุณปัดได้มากคุณพยายามที่จะเข้าหาฝั่งเข้าหาฝังเนี่ยก็คือว่าคุณจะมีสติมากขึ้นมากขึ้นพยายามสลัดหลอกจิตที่ไม่ไปไปกระทบแล้วไม่ไหลไปตามเนี่ยนะครับคือหลุดพ้นจากสิ่งที่มากระทบนั่นเองนะพระเจ้าจึงบอกว่าพอคนที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยจิตตรงนั้นก็ยังดำรงอยู่นะอืมเพราะดำรงอยู่จิตยังอยบเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราอยู่นิ่งๆเราไม่ได้ไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นคาว่าตามเนี่ยหมายถึงทั้งสองอย่างนะคือไม่ตามไล่ก็ตามหนีอออไม่ตามไล่ก็ตามหนีอ่าอ่านั่นคือเหมือนกันทั้งสองอย่างเพราะเป็นอย่างนี้แล้วนะไม่ตามก็เป็นจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งที่มากระทบยกตัวอย่างของเด็กเล่นที่เรามีนะตอนที่เรายังไม่หลุดพ้นจากการกระทบของมัน อใครมาแย่งเล่นเราจีตจีตใครมาเอาไปมันแตกมันทางเรากระเสือนแของเด็กเล่นที่เรามีอ่ะพวกตัวตุ้กตุนตุกตาซึ่งสมัยเนี่ยจะไม่มีแล้วครับนะหายทิ้งไปหมดแล้วจักรยานสามล้อโอ้โหเมื่อก่อนรักมากเลยแต่งอย่างดีทาสีอย่างดีเฮ้ยพอเราโตขึ้นแล้วเนี่ยเราพูดว่ามันไร้สาระเราก็ไม่ไปตามก็ละอืมครั บ, รบก็คือแต่จิตเราดำรงอยู่ไหมก็ดำรงอยู่นะยังอยู่เอราเริงยินดีด้วยดีเนี่ยก็คือ มันเป็นยังไงเราก็ไม่ไม่มีวนาล่ะเข้าใจมมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาของของมันนะมันจะดีขึ้นมันจะทุกลงเขาออกจักรยานรุ่นใหม่มาอัปเดตของตัวโมเดลนี้ทีเ่เราก็สบายอยู่นะก็เป็นจิตที่ร่าเริงยินดีได้ดีอ่อไม่หวาดเสะดุงนะไม่หวัดสดุงไปตามการเปลี่ยนแปลงของมันแค่นี้ แต่เราทำได้ทุกเรื่องไหมอืมใช่ครับอยู่ที่เรามีอุปทานมากหมใชในเรื่องนั้นเวลาที่เราเกิดอกุศลเกิดขึ้นในจิตอย่างเงี้ยครับบางทีหดหัวมากๆเลยหรือมีนิวรณ์เกิดขึน ท, ทำให้จิตฟุง้งซ่านเอ้ะฉันต้องไปทํากรรมอะไรมากแนะ่เลยเดี๋ยวเดี๋ย ว, ย ว, ยวคุณดูนี้ก่อนสมมติคุณจิตฟุ้งซ่านเนี่ยคือนั้นเป็นธรรมารมนะอืมครับอ่าคือถ้าจะเปรียบก็คือเหมือนกับอฝนตกใส่ภูเขาหินภูเ<อ>ขาหินต้องเปียกนะเปียกครับ แต่คุณจะเอาจิตแยกกับธรรมรงค์มันมันคุณตัดได้ไหมตรงนี้คือแบ่งได้ไหมตรงนี้อืมแสดงว่าถ้าคุณยังรู้สึกออืมันทําไมเป็ น, นี้จิตจันมันมันมันถ้าตามไปแล้วนะครับคือตามหนีตามไล่ด้วยนะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตก็คุณก็ไม่แฮปปี้ละใช่ครับพอจิตไม่แฮปปี้นี่ก็ยิ่งเศร้าหมองแล้วเป็นก็เรียกว่าแย่แล้ถูกมารดึงละอืมอแต่ที่พระเจ้าให้ทําก็คือว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะสมมติจิตเรามี อากุศเกิดขึ้นเนี่ยครับเราไม่ตามนะไม่ตามแต่เรารู้อยู่เฉยอาการตรงเนี้ยคือสตินั่นเองอืมันยังไม่ได้ดับไปนะเราย ก, ยกที่มันดับไปไว้ก่อนเลยนะมันยังไม่ดับมันยังอยู่ก็คือเหมือนกับภูเขาหินฝนตกใส่อยู่ภูเขาหินเปียกไม้เปียกแต่ภูเขาหินไม่สะเทือนออตรงเนี้ยผู้เช้าตลาดกับพระราหูเอาไว้ที่ว่าทําจิตให้เหมือนอากาศนะว่าอะไรว่า เมื่อ <Wow. S 2> เราทําจิตให้เหมือนอากาศหรือเหมือนดินน้ําไฟลมแล้วเนี่ยครับ uh <huh. S 2> บาปอกุศลภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นครอบงําจิตของเธอตั้งอยู่ฝังอั uh ้งหนึ่งนะ <effect> จะไม่เกิดขึ้นครอบงําจิตของเธอตั้งอยู่จิตลนะ้วนะสมมุติ uh <huh. S 2> จิตเราเหมือนกับก้อนก้อนหนึ่งสมมุตินะสมมุติเหมือนกับเป็นปั้มประการอันหนึ่งมีอกุศลแล้วทาเกิดขึ้นที่กําแพงเมืองที่กําแพงป้อมถ้ามันเข้ามาได้นี่แหละคือกลุ่มรุมจิตของคุณล่ะ ครอบงำละตั้งอยู่ละอีกครั้งหนึ่งนะกลุ่มรุมครอบงำตั้งอยู่ในจิตนะเราสวยเลยถูกยิดเมืองละแต่ถ้ามันอยู่ข้างนอ ก, นอกบึมบึมบึมบึมอยู่แต่ว่าข้างในเรายังไม่ถูกมันครอบงำนี่แหละคือที่เราต้องทำก็คือเหมือนภูเขาหินน้ำเปียกอยู่เปียกจากข้างนอ ก, ก, นอกแต่ข้างในไม่เปียกอาจจะกระเทือนบ้างนิดหน่อย กระเทือนี้หมายความว่าอาจจะเปียกตามซึมก็ม า, มาตามเนื้อหินได้บ้างแต่นี่นิดหน่นอยหน่อยมันก็อยู่ทถวประตูนั่นแหละคือสติประตูคือสตินายทวายคืคคอสติไม่ให้มันมากลุ่มรุมครอบงาจิตของเราตั้งอยู่จิตเราใหญ่ไหมหมอแลวงจิตเราก็ไม่มีตัวตนนะใช่ครับไม่มีตัวนมันไม่มีอนณาเขตอะไรที่คุณจะมากลุ่มรุมได้เลยเรามองตอนนี้ปุ๊บมันไม่มีอะไรมันจะเข้ามาได้เลย ถามว่าคุณจะไปทำลายป้อมที่มันไม่มีกำแพงได้เหรออืมใช่ใช่คุณไม่มีทางทำลายป้อมที่ไม่มีกำแพงได้สมัยก่อนตอนที่อังกฤษเลวกว่ฝรั่งเศสครับอังกฤษนี่เขามีความคิดที่จะสร้างป้อมที่ว่า invincible fortress ป้อมที่ไม่สามารถทำอันตรายได้ที่ไม่สามารถตีให้แตกได้คุณเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดไหนมาใส่เนี่อีกฝ่ายหนึ่งมันก็หาคิดวิธีที่มันจะมาตีให้มีให้แตกได้อ่าชายภูมิที่สมคำสำคัญอันนี้เลย สมมติคุณคิดกำแพงขึ้นมาแบบหนึง่งมันคิดวิธีขุดใต้ดินเอาคุณคิดวิธีกำแพงลงไปใต้ดินมันคิดเครื่องบินขึ้นไปเอาคุณคิดโดมขึ้นมาอีกมันคิดระเบิดแบบใหม่มาจากทางข้างบนอีกโอ้โหมันหลายอย่างว่ะล่มันไม่มีทางแต่ถ้าป้อมนี้ไม่มีกำแพงเฮ้ยมันจะไปตีตรงไหนว่ะหาตัวตนไม่เจอไม่มีเลยมันเนี่ย <c oughs> คือ invincible fortress จริงๆว่า ว่าเราถ้าจิตเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้สึกเฉยๆเราก็ไม่ได้มันไม่ได้มาครอบงําจิตของเราตั้งอยู่หรอกอ <Okay. S 1> เราทํำเงี้ยบ่อยๆคือล้างบ่อยๆปัดออกบ่อยๆนะมันจะเป็นอย่างนี้ได้คือจะเป็นจิต ท, ที่อ่ดํารงอยู่แต่ยินเอไม่ถูกครอบงําดํารงอยู่แต่ไม่ถูกครอบงำเข้าใจนะถ้าเป็น <Okay. S 1> ก้อนๆนีๆ่ยก็คือเหมือนภูเขาหินดํารงอยู่แต่ว่าไม่กระเทือน S <S ถ้ามาในจิตเราก็คือจิตมันไม่มีขอบเขตอะไรหรอกมันจะมาตั้งอยู่ได้ไงมันก็ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> ก็เป็นจิต <Okay. S 2> ที่อไม่ถูกครอบงําไม่ถูกตั้งอยู่ไม่ถูกอกลุมล่มรุมกลุ่มรุมด้วยอากุศลใช่อ๋ๆๆๆ <S 2> <S 2> อ, ๆๆอที่มีมีประสูนแบบว่าจิตหลุดพ้นจิตจึงดํารงอยู่อันนี้ก็คือ <S <S ความหมายที่ตรงนี้เห <ๆ S 2> มือนการสอดคล้องกันเลยนี่คนละประสูนต์หมดเลยนะสามอันสี่อันนี้นะอ๋อแต่เชื่อมโยงเดดต่อเนื่องกันได้ใช่ใช่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะ สมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่จิตแล้วเนี่ยเอาใหม่เวลาจิตเราเข้าไปรับรู้สิ่งที่เป็นอกุศลมันมีอยู่ในจิตของเราเนี่ยคำว่าจิตนี่มันกว้างมากอีกแล้เนื่องจาะว่าเราเข้าไปรับรู้เฮายทำไมจิตเราเป็นอย่างนี้ฟุ้งซ่านเป็นต้นอ้าฟุงา้งซ่านบ้าบออย่างนี้เป็นต้นน ะ, อะพอเรามีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในใจเบิ๊บนี่เป็นธรมารมแต่ถ้าไม่ให้มันมากลุ่มรุมครอบงําตั้งอยู่ในจิตของเรา มันอาจจะไม่ใช่จิตก็ได้นะอันนี้เป็นทำอารมณ์หรือเปล่าอืมอ่าเราจะรู้ได้ไงคือมันทําอารมณ์ไแน่นอเอาพูดงี้ดีกว่าครับเพราะว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงไปลงตรงนั้นลงตรงนี้เข้าใจไหมจิตมันดิ่ดด่ดเน่ยหมอแล้วพงษ์เข้าใจครับจิตมันสัดว์สายดีมันิ่ดเดี๋ยวไม<ป>่รู้นั้นมันก็เลยไปคิดว่าเฮ้ยธรรมารมณ์เนี้ยเป็นจิตนะนึกว่าเป็นตัวมันเองใช่เสมือนว่าสมมุติธรรมารมณ์ก้อนเนี้ยมันคือ ความคิดไม่ดีฟุ้งซ่านเป็นต้นครับจิตไปติดตรงนี้ปุ๊บเ้านี่มันชั้นนี่เออทำไมชั้นมันมุนมันมุ่นวายมันอะไรอย่างนี้นะใช่ครับไอคุณเข้าใจผิดอยู่นะเนี่ยคือคุณอนุญาตให้ธรรมารมเนี่ยมากลุ่มรุมครอบงำตั้งอยู่ในจิีของคุณแล้วอืมแต่จริงมันก็อยู่มันแหละเราเป็นไปหาเรื่องรู้มันเองจิีของเราครับมันโง่อืมันโง่คือธรรมารมเนี่ยในในในโลกนี้หรือในโลกธานนี้มันใกล้มีอยู่ พ๋อแน่นอนอ่าจับไปกลุ่มรวมไปอืท่าคือความเบียดเบียนท่าคือพยาบาทท่าคือการมีอยู่ครับนะพวกนี้มันเป็นเหตุให้เกิดนิบบอทั้งสิ้นครับนิบบอทเขเป็นสังขารเป็นอารมณ์เป็นสัญญาอย่างหนึ่งเราเข้าไปรู้ตรงนั้นปุ๊บมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะมันอาจจะมีอ่ะว่าถ้าเราไม่เป็นพระอรหันมันก็ต้องมีแน่ในบริเวณเครือข่ายนี่จะจะไปรับรู้ว่ามันเฮ้ยนี่มัน จะเปจิตเราเป็นอย่างนี้อ้าวมันจิตเรา น, นี่ไอ้แค่หลุดคุณหลุดคําพูดวคือว่ า, าทาไมจิตฉันเป็นอย่างนี้เนี่ยโอยคุณรู้ป่ะว่าจิตคุณไปยึดมาแล้ว<ม>จิตคุณไปยึดธรรมอารมณ์นั้นหรือว่าอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวมันมันเลยคิดว่าเฮ้ยจิตฉันเป็นอย่างนี้โอคุณถูกกลุ่มรุมคุณถูกตั้งครอบงําแล้วคุณก็คิดว่ามันเป็นตัวคุณแล้วครับอ่าแล้ว<ม><ม>คุณก็จะหลุดออกจากมันไม่ได้เพราะนั้นตรงที่จะป้องกันได้คือสตินั่นเอง มีสติอ่าสติไม่ให้คอัคบคือแปลว่ารู้เท่าทันเนี่ยก็คืออ่าไม่ไหลไปตามไม่ให้มันไปยึดจะทำไงไม่ให้มันยึดนีก็คือไม่ตามทาําำไงไม่ตามต้องมีฐานที่ตั้งเหมือนกาน ร, ราลึกถงึงคือเราหมายใจอย่างนี้ปัดออกปัดออกครั บ, ค, รบคือมันให้มันมาเคาะอยู่ที่กําแพงแต่จริงๆกำแพงไม่มีหรอก ไม่มีาแบงค์จิตไม่มีขอบเขตดินแดนใช่แล้วมันไปยึดเองว่านี่เป็นของคุณอพูดไม่รู้เข้าใจไ่มหมอหพงเข้าใจครับถ้าฟังตอนเช้าจะเข้าใจอยู่นะใช่ครับจิตแบบยังผ่องใสเอครับเพราะนั้นครับถ้าผู้ฟังฟังไม่ไม่เข้าใจก็เปิดซ้ําได้ดีครับเปิดซ้ําได้ใช่เปิดซ้ําได้ซ้ําซ้ําให้ฟังเลยเดี๋ยวนี้เลยเอาอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกี่ยวเนื่องกันว่า จิตเราเนี่ยมันเปิดกว้างไม่มีดินแดนไม่มีพรมแดนนะพอมไปเจออารมณ์นี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันก็คิดว่ามันเป็นตัวมันอันนี้ความคิดนี้ไม่ถูกนะเราจึงต้องมีป้อมปราการให้จิตนะในที่นี้คือสตินั่นเองมีประตูมีอาณาเขตขอบเขตคอยรักษาผู้ชาวพูดถึงเมืองกายใช่ไหมขอบเขตของเมืองนี้นะกำแพงเนี่ยคือปัญญาครูร้อมรอบปราการป้องกันคือยีนีอัตตะ ในเมืองต้องมีอุปกรณ์อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนั่นคือบบสตะไหนมีกองกําลังอยู่มากคอยป้องกันนั่นคือความเพียรไหมีบบอาหารสะสมไว้มีน้ําข้าวยา้ยาหญ้าอะไรพวกนี้นั้นคือสมาธิครับไหนจิตนี้พร้อมแล้วมีอะไรเข้ามามันกระเทือนเราไม่ได้กระเทือน<บ>ไม่ได้แต่มันล้อมเราได้ไหมล้อมได้ครัแบบมันล้อมเรากลุ่มรวมเราพยายามที่จะยึดเมืองเข้ามาแต่มันเข้าไม่ได้หรอกถ้าเรามีพวกนี้อยู่ครับเมืองเบางเมืองอะ่ะ มรพงศ์อ่านสามก๊กนะครับชัยภูมิที่ดีที่สุดที่เขาเรียกว่าดีนะอาจจะที่สุดก็ได้ในเรื่องสามก๊กนี่คือเมืองเกิงจิ๋วกงจิ๋วเนี่ยเป็นเมืองที่เล่าปิ๋วพยายามจะอยากได้มากเลยคสุดท้ายก็ได้ด้วยกรวิธีของอของเบ่งบงคนที่คุมเมืองเกงจิ๋วเนี่ยต้องกุอูเท่านั้นอืมาคนอื่นไม่ให้เพราะกุลูเนี่ยอมีความ เขากว่ากาหาญเป็นเป็นนั ก, กรบที่เก่งแล้วนะยังเหนือคนอื่นตรงที่ว่าอา่านคัมภีพิพชัยสงครามด้วยอืมควรูจึงรู้ว่าตําแหน่งนี้ให้ใครไม่ได้ให้ใครไม่ได้จริงๆต่อให้เขาจะมาไงต้องให้ไม่ได้เด็ดขาดนะ<ม>รู้<ช>ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้เนะี่ยตัวเองครองเอาไวนะ้เนี่ยเพราะจะเป็นตําแหน่งที่สําคัญมากตรงนี้แหละคือเอ่อเมืองที่เป็นเมืองแต่ไม่ใช่เมืองหลวงเมืองอะไรนั้นเกิ่งฉี่ว่ะครับ ก็จะเป็นเมืองชายแดนที่สําคัญของพระราชา<ม>นะจารบลีเขาเรียกใช้ว่าปัญจตะนะคร<อ>ถ้าเมืองนี้ตกไปอยู่กับกังตังนะเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองชายแดนที่สําคัญของสุนกวนครับ<แ><แ>ถ้าเมืองนี้ตกไปอยู่กับเล่าปีเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองชายแดนที่สําคัญของแคว้นเสฉวนอืมครับ แ, แ, แต่ถ้าเป็นตกไปอยู่กับพวกของสุนกวนเนี่ยก็จะเป็นของพวกอ่าก็เรียกว่าอะไรเมืองทางใต้อ่ะ หนันจริงหนันจริงสมัยปัจจุบันบนะนะสมัยผู้ชมก็คือหนันจริงที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะเป็นเมืองชายแดนที่สําคัญของเมืองหลวงคือหนันจริงรถ้าเมืองนี้ตกไปอยู่กับเสฉวนก็จะเป็นเมืองชายแดนที่สําคัญของเสฉวน<อ>เกงิงเจียวเนี่ยนะ เ, เกงเจียวคือจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชาพระจารย์บาลีเขาใช้ว่าปัญจตนครค่อนปัญจตนครถ้าสมัยก่อน ถ้อินเดียในปัจจุบันถ้าก็เอาคุณเอาแคว้นมคธเป็นเมืองหลวงเมืองหลวงศูนย์กลางกาลกาตาเนี่ยจะเป็นเมืองหัวเมืองที่สําคัญกากาตาในปัจจุบันเนี่ยนะเพราะมันเป็นเมืองท่าเมืองอะไรต่างๆสาคัญอยู่ตรงนั้นตรงนี้ก็คือเหมือนกันเก้งจิวเนี่ยเป็นหัวเมืองที่สําคัญมากเป็นเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระชาคมมั่งคั่งด้วยมีอาหารมีอะไรต่างๆรวมสมบูรณ์ชายภูมิตั้งรับง่ายเข้าตียาก ไม่มีทางเสียให้ขายได้แน่นอนเหมือนการจิตของเราต้องป้องกันอย่างนี้ต้องป้องกันเหมือนเห ม, นเมืองเก่งจิ๋วคนรู้ทาไงสร้างป้อมตลอดแนวชายฝั่งทะเลทุกด้านนะเรือเข้ามาเห็นทันทีส่งสัญญาณไฟปุ๊บๆออกไปป้องกันห้ามบุกเข้าตีเด็ดขาดเหมือนการจิตของเราต้องป้องกันอย่างนี้มันอาจจะมากระเทือนตามกำแพงเมืองเราเข้าไปรับรู้อะไรบ้าง แต่ไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฟังให้ดีนะรเราไปรับรู้บ้างได้อย่างเช่นนิวรณ์เกิดขึ้นแต่ไม่ให้นิวรณ์มันกลุ่มรุมจิตของเราตั้งอยู่อืมคุณทํา บ, บาปกรรมอะไรบ้างเราไม่รู้เลยนะบางที่คุณคไปคิดไม่ดีคุณไปด่าเขาอ่ถามว่าอันนั้นต้องได้ผลของกรรมไหมแน่นอนนะแต่ถ้าร ต, รตรงนั้นมันเป็นผลของกรรมที่คุณทําไว้ในการก่อนนะ่ะแล้วคุณบอกคุณจะไม่เอาอ๋อมันจะไปได้ได้ไงอสมมติเราไปด่าพ่อด่าแม่ไว้จิตคุณนั่งสมาธิคุณร้อน หรือด่าพ่อด่าแม่คนอื่นเอาไว้จิตคุณนั่งสมาธิคุณร้อนคุณบอกว่าเอ้ยจิตฉันทำไมเป็นงี้คุณรู้แบบว่ามันอาจจะเป็นหัสาก็ได้อาจจะเป็นธรรมรงก็ได้แต่ไม่ใช่จิตอืมโอ้อ้าวแล้วทําไงอ่ะคือมันไม่มีอะไรเป็นจิตหลอกมาแล้วงเอ้ใช่ครับจิตไปแค่คิดว่านั้นเป็นตัวมันแต่จริงมันไม่ใช่ครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าถ้าจิตเรามีการป้องกันอย่างนี้ เนี่ยเป็นการป้องกันที่เรียกว่าอ่าจะทําให้รู้ว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่อะไรพวกนั้นอืมอ ม, มันจะเป็นไปตามสิ่งที่มันจับยึดอา่ามันก็จะเป็นสมมุติใช่มันก็จะลุดออกจากของนั้นได้รู้ใกนั้นได้แล้วเป็นจิตยังไงก็เป็นจิตที่ดํำรงอยู่เฉยๆออืม่าดํารงอยู่เฉยๆไม่ไหลไปทางการเปลี่ยนแปลงรับรู้ไหมรู้อยู่แต่ว่าไม่ครอบงําไม่กลุุมรุมไม่ตั้งอยู่ในจริงของฉัน ที่ไม่ตั้งอยู่ไม่ครอบงำไม่กลุ่มรุมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นตัวมันเองพอมันเป็นอย่างนี้แล้วจิกึ่งก็ดํารงอยู่เฉยก็รับรู้เฉยสบายไหมล่ะสบายนะร่าเริงยินดีด้วยดีนะก็ไม่สะดุ้งไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นอืมพอไม่สะดุ้งเป็นไงก็นิพพานเฉพาะตนดับเย็นดับเย็นสบายละเย็ฉพาะตนนับวินาทีนั้นอแต่นี้ถ้าคนยังไม่เป็นผ้าหลานมันก็จะไปอันอื่นต่อไม่อารมณ์นี้มันก็เป็นอารมณ์นั้น บางาทีอารมณ์นั้นที่เราไปยึดอยู่เราไม่รู้ด้วยซ้ําอย่างเช่นอุเบกขาเป็นต้นหรือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขเป็นต้นเราคิดว่าอันเนี้ยเ อ, อเป็นนิพพานละแต่จริง ค, คุณอาจจะยังยึดอยู่ก็ได้เราไม่รู้อพ <Dri> ระเจ้าจึง<ม>บอกว่านิพพานล้วก็ไม่เพลิดเพลินนิพพาไม่คิดว่านิพพานเป็นของเราอย่างเงี้ยนะจะเป็นเครื่งตรวจอืไดใช่ไม่ใช่นิพพานเป็นเราไม่ใช่เป็นของเราสรุปคีย์เวิร์ดตรงนี้นะหมอระบงที่ฟังแล้ว เราต้องมาใคร่ครนคียว่าตรงนี้นะก็คือว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเอาพูดใหม่ได้ว่าจิตเราไปรับรู้อะไรแล้วจิตเราไปรับรู้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนก่อนที่คุณจะใช้ว่าเอ๊ะทาไมจิตฉันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนเวลาจิตคุณไปรับรู้อะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเก่อนที่คุณจะใช้คําว่าทําไมจิตฉันเป็นอย่างนี้หยุดก่อนนะเวลาจิตคุณไปรับรู้อะไรทุกมันทําไมมันปวดหัวมันมึนมันตึงมันเ็นแสงมันแล้วแล้วแต่ ทำไมจิตฉันเป็นอย่างนี้ก่อนที่คุณจะพูดคาะนะก่อนที่คุณจะพูดคำนั้นถ้าคุณพูดคำนั้นไปเนี่ยทำไมจิตฉันเป็นอย่างนี้แสดงว่าคุณอนุญาตให้มันเข้ามาตั้งอยู่กลุ่มรวมครอบงำจิตของคุณเรียบร้อยแล้วพลาดแล้วแค่เสียววินาทีนั้นนะคุณคินว่าเพราะคุณคิดว่านั่นคือจิตของคุณแต่ผิดมันไม่ใช่จิตคุณนะฟังให้ดีเพราะนั้นจะทาไงอย่าง เราก็ไม่ให้มันมาตั้งอยู่ไม่ให้มันครอบงำไม่ให้มันมากลุ่มรุมเราต้องมีประการกั้นจิตไว้นั่นคือสตินะสติมันจะเข้ามาตามช่องเรามีนายทวารป้องกันไว้กำแพงเมืองมีไหมถ้ามันมากหลือเกินคุณไม่มีช่องทางออกไม่มีช่องแม้กระทั่งจะให้รละลึกถึงบูชาเนี่ยคือเมืองบางเมืองเนี่ยหมอรัพยงศ์เขาไม่ได้มีอาหารเก็บไว้มากครับเขาจะต้องมีทางออกเล็กๆทางออกเล็กๆที่สําหรับ ลำดิงสเสบียงไม่ให้ฆ่าสึกมันรู้อืมน้ําบ้างอาอาหา ร, าหารบ้า ง, างถ้ามันรู้นะสวยเลยมันจะตัดช่องนี้ปุ๊บเราเสร็จทันทีอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ยจึงเป็นสำคัญถามว่าช่องนี้คืออะไรในถ้าจะปรียบเทียบจิตของเราคือพุทธานุสติเป็นต้นทําไมพระเจ้าจึงแนะนําว่าโอยเวลาจิตฟุง้งชซ่านอะไรไม่สงบเอานึกถึงพระเจ้าซะนึกถึงพูะเาพอให้เป็นนิมิตแห่งความที่ตั้งแห่งความเริ่มสายอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ย แล้วพอคิดปุ๊บอ่ะพ อ, อ, ะอะมันอกุศลมันคลายไปแล้วก็กลับไปทําอย่างเดิมได้อย่างเงี้ยครับอันนี้คือช่องให้ออกแต่ถ้ามันตรงนี้มันก็อุดด้วยเรานึกไม่ถึงเลยถูกล้อมล้อมหมดเลยในเมืองกุต้องมีสตบียนเก็บไว้นะสติเบีบเยนในที่นี้คือสมาธิ น, นั่นเองโอ้ ค, คือสมาธิ น, นั่นเองครับเรามีสมาธิอยู่เอ๊ะทำไมจิตเราฟุ้งสั้นเฮ้ยมันมาด้วยกันได้ไงอืมอ้ามันก็สแสดงว่ามันต้องแยกจากกันแต่เราทำไมเห็นมันเป็นตัวเราเอ้าก็ คุณก็ต้องฉลาดหน่อยสิว่ามันมันคนละอันกันไม่ให้มันมากลุ่มรุมแต่เรารับรู้ไหมเรารับรู้ทำไมรเราจะไม่รู้รพระเจ้าจึงบอกว่านิวรณ์คุณก็มีสติได้นะในที่นี้มีสองนยะนะว่าเอ้ยเรารู้ว่าอันนี้เป็นปัญหานะคือบางคนไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรอันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้มันแก่ไม่ได้ครับออแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรเช่นว่าเรามีนิวรณ์เราก็ ยอมรับนะว่าเรามีนิวรณ์ครับยอมรับนี่คือคิดว่านิวรณ์เนี่ยเป็นของฉันด้วยนะอันนี้คือยอมรับนี่คือกรณีที่หนึ่งกูคุณจะไม่เรียกว่ามีสติ น, นิวรณ์หรอกอันนี้ก็เรียกว่าถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วครับแต่ก็ยอมรับอยู่นะหรือกรณีที่สองก็คือว่าเราก็รู้ว่ามันมีแต่ว่าไม่ให้นิวรณนมากลุ่มรุมในจิตของเราคือนิวรณ์กับจิตของเรามันแยกกันครับคือธรรมารมคือนิวรณ์ร<ง>รครับจิตวิ ญ, ญญาณที่เป็นรู้ธรรมารมนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นอันเดียวกันมันคนละอนันกันใช มันแยกกันพระเจ้ามีครั้งหนึ่งเอามือออกมาเอาพระหลาดออกมาบอกไปบอกมาในอากาศบอกว่าอากาศนี่มันโดยมืออยู่นะแต่มืออากาศนี่เป็นคลนละอันกันนะใช่ครับคุณรู้ได้ไงอ่ะอารมณ์ที่คุณรับรู้อยู่ตอนนี้ยมันเป็นคลนละอักระจิ๋ของคุณนะอื ม, อมแต่มันเนียนมากนะใช่ครับนะ้ําเอาน้ํามันอยู่ลงไปในน้ําแยกกันเป็นสองชั้นอย่างเงี้ย มันคนละอันกันนะเออแต่มันติดกันนะแต่มันคนละอันกันนะครับอ่าจิตของเราในในอยู่นั่นแต่ไอ้ที่มันไปรับรู้เนี่ยมันคนละอันกันนะโอ้ยไปเห็นเป็นอันเดียวกันนี่มันอืมมันต้องฉลาดขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งอย่าไปเง่าตามมันนั้นมันจะถูกตันหาและวิชาหยุดไว้ครับอหมอรัตนพงศ์เข้าใจว่าไงนะก็เข้าใจว่าการ จิตของเราเนี่ยก็อย่าไปอย่าไปไหลาตามก็คืออย่าไปชอบหรืออย่าไปไม่ชอบอออยู่เฝ้ารู้เฝ้าดูดูเฉยเฉยอันนี้คือคือเรียกว่าอธิบายข้างในในตรงนั้นนะนะในจิตของเรานะทีนี้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นถึงสภาวะอย่างนั้นว่าเฮ่อารมณ์นี้ธรรมารมณ์นี้สัญญาสังขารนามนี้หรือธรรมารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเหมือนจิตเลยทําไมเราเหมือนคิดว่านี้เป็นจิตของเราใช่ค่นะ เราจะแยกกันได้ไงก็คือแค่วิธีปฏิบัติง่ายๆ<ม>รู้ลมหายใจกับลมหายใจอ่า ค, คือจะมีสติได้สติเนี้ยเป็นตัวปั้มประการถูกต้องเป็นทางเข้าออกเป็นประตูที่เราต้องคอยบล็อกพว ก, กนี้ใช่ไหมครับทีนี้มันเข้ามาแทรกซึมแล้วเราเลยเห็นว่าเป็นอันเดียวกันแต่ไม่ใช่คุณต้องมีประตูนะต้องกั้นไว้ให้ดีนะนั่นคือสติเอาสติก็พูดได้อยู่แล้วทํายังไงรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเท่านั้นเองทําไมทำไมรู้ลมหายใจแล้วเออมันถึงแก้ได้ก็ต้อง พูดถึงเรื่องปฏิสมูบาดด้วยครับอ่าเอาแค่ว่าตอนเนี้ยเรารู้ว่ายใจแหละมันแก้ได้ทั้งออกไม่ได้อยู่อื่นๆอยู่ที่ปลายจมูกครับอยู่ปลายจมูกนี่อืใช้ได้ในทุกเหตุการณ์ทุกเวลาทุกเหตุการณ์ทุกเวลาแล้วไหนๆจะมีชีวิตอยู่มันต้องหายใจอยู่แล้วก็เอาสติไว้ที่นี่ด้วยครับอสตินี่แหละจะเป็นที่แล่นไปสู่วิมุติวิมุตคืออะไรหลุดพ้นนะหมาระบอกวิมุตแล้วมันหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากไอ้ที่มากลัวนั่นแหละ เอาง่ายๆนะมันมากวนเราใช่ไหมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนี้อยู่ๆทาไมมันฉุนกึกขึ้นมาไม่มีใครทําอะไรให้เลยอยู่ๆทาไมมันง่วงนอนขึ้นมาไม่มีใครทําอะไรให้เลยครับมันเป็นอะไรวะจิตเรามันเป็นอะไรวะเอาถ้านี่คืออินทรีย์มากระทบนะเล่นไปสู่จิตแล้วนะครับถ้าจิตนั้นมีสติปุ๊บมีคนมากั้นไว้สติปเป็นตัวนะทวารกัน้นไว้อ้นี้ห้ามขาวนี้คนอ่านนะนะนี่จิตนี่เขตจิตชั้นซึ่งจริงๆไม่มีนั่นคือเขตของคำอารมณ์คุณออกไปอย่าเข้ามาปุ๊บตรงเนี้ย จิตนั่นแหละหลุดพ้นละหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นแหละหลุดพ้นจากการเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นบจึงวิมุติไงจิตหลุดพ้นแล้วเป็นใจเป็นยังไงก็ดำรงอยู่จิตก็ยังมีอยู่ดำองอยู่เพราะคุณยังรับรู้ได้โดยที่มันไม่มาเกาะเกี่ยวในจิตของคุณเพราะจิตดำรงอยู่จิตก็สบายละยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะว่ามันไม่ไปตามนั้นพอไม่ไปตามนั้นก็เป็นจิตที่ไม่สะดุ้งไม่สะดุ้งตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระตบนั้น อืพอไม่สะดุ้งก็จบแล้วดับเย็นสบายอืมอืมก็ครับก็น้อมนําไปปฏิบัติกับทุกๆท่านด้วยนะครับพูดตรงเนี้ยมันก็เป็นกระบวนการเฉยเราจะรู้ได้คือหมายว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนชัดเจนเลยอายุตัวอย่างของเล่นเด็กสมัยก่อนก็ได้ครับนั้นจิตเราหลุดพ้นแล้วจากสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นภาษาเหล่านั้นอินทรีย์เหล่านั้นเราหลุดพ้นแล้ว เราหวัดไม่หวัดสะดุ้งแล้วเราหลุดพ้นจากไอ้ความยึดถือในของเล่นเด็กพวกนั้นแล้วอในขณะเดียวกันยังมีเรื่องที่เรายังไม่หลุดพ้นอยู่เราก็ค่อยๆทำไปกระบวนการคือรู้มลมหมายใจนั่นเองกระบวนการพูดให้กว้างไปอีกนก็คือสตินั่นเองกระบวนการพูดให้แยกไปอีกนก็คือสมถ า, า, าวิปัสสนาอีกเอาให้กว้างไปอีกก็คือมักแผ่นนั่นแหละให้ย่อลงมาก็เป็นสีสมาธิปัญญาอย่างนี้อืม เพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดเรื่อง1 1> ถึง <5. S 1> นโยบายใหม่แคมเปญใหม่เรื่องของพอดแคสต์เราจะจบไว้ที่ตอนนี้ถือว่าตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วมรดพงตอนที่เอพิโซดที่ <99. S 1> ้าสบเกาบเ้แล้วนะเราก็ซึ่งในตอนจบนี้เลยพูดถึงเรื่องของจิตลึกๆนู่นเลยก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องการนอ น, น, อนสักในบางประเด็นที่น่าสนใจน้อมจิตไปนอนยังไงทำไงไม่ให้บาบาุศลไหลไป นั่นแต่ประเด็นไปเรื่องอื่นๆนิดๆหน่อย ๆ, ๆ, ๆแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องที่ว่าจิตกับธรรมารมณ์นามพวกนี้เป็นคนละอันกันมันไม่ไปยึดกันจิตอย่าไปยึดนั้นเป็นตัวของมันเองดังนี้และอย่างนี้ท่านผู้ฟังยังส่งคําถามได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับได้ไดก็สามารถส่งคําถามได้คําถามที่เป็นประเด็นใดๆก็จะมาจัดรวมเป็นประเด็นนั้นๆต่อไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จบลงเท่านี้นสําหรับพอดแคสต์นี่เป็นตอนสุดท้ายอาจาริญเดน ครับกลับนักการขบับพระคุณพระอาจารย์ไพบูรอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนไหโศแจังหวั ด, ดอุดรธานีครับลกลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ